ทีนี้พวกนี้ก็นึกไปเรื่อยๆอย่างนี้พวกที่ระลึกชาติได้นะั้นถ้าคุณธรรมระดับสูงไม่ค่อยดีนะักพวกนี้ตามมาด้วยมิจฉาทิฐิการระลึกชาติได้เนี่ยโดยมากเสี่ยงมากผู้ที่ระลึกชาติได้ทิฐิค่อนข้างมีกําลังสูงมากมีกําลังกว่าคนปกติสามัญทั่วไปคนสามัญทั่วๆไปนะมิจฉาทิฐิไม่ค่อยรุนแรงแต่พวกที่ระลึกชาติได้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิรุนแรงมาก ทำไมมันรุนแรงเพราะมันนึกได้อะเถียงตายเลยนะพวกนี้ยืนยันเอาจริงเอาจังมากแต่มันนึกเกินไปกว่านั้นไม่ได้มันนึกได้แค่ช่วงๆพันลางลัทธิบางลัทธิเขาละเลึกชาได้เท่าไหร่โดยทั่วๆไปเนี่ยสายนอกศาสนาละลึกได้ไม่เกินสี่สิบกับรู้อนาคตก็ไม่เกินสี่สิบกับก็ละเลึกได้ในเท่าเนี้ยเหมือนขอบเขตว่าพวกเดรัจฉีทั้งหลายละเลึกได้แค่สี่สิบชั่วโมง นึกได้แค่สีิบชั่วโมงนะชีวิตที่ผ่านมาอดีตนี่รู้สี่สิบชั่วโมงอนาคตต่อไปเขาวางแผนได้คิดได้แค่สี่สิบชั่วโมงแต่ความพระพุทธเจ้ารู้ตลอดสายหมดคือความต่างกันของเราละ่ะของเราและลึกได้อะนาทีที่แล้วมีอะไรบ้างไม่ว่าเป็นชั่วโมงกับเขาหรอกเอาเป็นนาทีผู้ที่ไม่ได้ฌานทั้งหลายการหาทางออกจากวัตฏะนี่ถ้าผู้ที่ไม่ได้สังสมบุญมาอย่างเพียงพอจริงๆเนี่ย เขามาเชื่อเลยว่ามันจะบรรลุได้อย่างไรถ้าหากว่าให้เราไปหาทางเอาเองนึกไม่ออกเลยนะเพราะคือหลายท่านอาจจะไม่ทราบข้อนี้เป็นบวชตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเลยแม่เด็กธรรมดาเด็กกอ่อสร้างว่างั้นเถอะเด็กกรรมกรกับกลางเข้ามาบวชแล้วไปอยู่ป่าเนียมันได้อะไรบ้างจากการบวชอย่างนั้นเราเห็นชัดเลยว่าเราไม่มีสิทธิ์หาทางเองแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็ไปเที่ยวรับอะไรมาสารพัด คนนี้ก็แนะนําอย่างเออมันก็น่าเชื่อพอคิดไปคิดมาเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างเงี้เราก็สงสัยอีกอะไรอย่างเงี้ยจนอ่านพระไตรปิฎกแล้วอ่านพระไตรปิฎกเมื่อใดที่เราลองฝืนดูนะไม่น่าเป็นอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างไงเซทเราอีกแจ้งอีกว่าฝืนท่านไม่ได้โอนตามท่านอย่างเดียวเมื่อโอนตามท่านมากเต็มที่แล้วเราจึงเห็นเหตุผลตามที่พระองค์แสดงไว้ในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเราไม่โอนตามเลยนะเราลองฝืนเถอะค่อยๆฝืนดูนะ รอบลนะคำพูดของเราจะเริ่มขัดกันเองนะถ้าเป็นคนที่น่าจะตรงต่อตัวเองหนีอยสาภาพจิตเรื่องนั้นทำไมมันคิดแบบนี้มันคิดแบบนี้มันเพราะอะไรแล้วทำไมมันเข้าใจแล้ววันนี้ทำไมเรามาคิดอย่างนี้เป็นคนที่สังเกตตัวเองสูงมากๆเลยจะรู้ว่าเหตุผลของเราไม่ลงตัวโดยทั่วๆไปโดยมากกล่อมหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งไม่ได้เป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ที่เรียกว่าไม่หวาดระแวงอะไรแต่เพียงกล่อมตัวเองหลอกตัวเอง ไปเรื่อยๆไปวันๆเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเป็นอย่างนั้นเหมือนกับ ว, ว่าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยมีแทบตาย <c oughs> จริงๆแล้วมีมากจนไม่รู้จะมียังไงเลยนะแต่บอกไม่มีอะไรการศึกษาพระธรรมถ้าหากว่าเราไม่เจริญกุศลธรรมตามที่พระองค์สอนแนะนําเช่นตั้งแต่กุศลศีลขึ้นมาถ้ากุศลศีลไม่พอจะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้การวิเคราะห์การทําปริญญานี้ก็ไม่ใช่ฐา น, นะถ้าศีลเราไม่ดีกับเรื่องใด เช่นถ้าเราทุศีนแล้วถามว่าเรื่องนั้นนะเราจะเอามาทําปริญญาได้หรือพอทําปริญญาเช่นเอาเรื่องกรรมมาคิด ป, ปั๊บเนี่ยใจหายวับเลยนะมันตกใจนะคนศีลไม่ดีความทุศีนนามาเส้นความวิปัสสนาไม่สบายใจเลยเครียดไม่สนุกมันเลือดร้อนใจมันลําบากใจมากๆเลยยิ่งมณสิการโดยกรรมและผลของกรรมเป็นต้นยิ่งไม่สนุกเหมือนอย่างว่า ผู้ที่รู้กฎหมายที่รู้เข้าใจบทบัญญัติเป็นอย่างดีระลึกว่าคดีนี้รู้ว่าโทษขนาดนี้อีกคดีหนึง่งโอ้มันโทษขนาดนี้แล้วเราเนี่ยจะต้องรับอย่างนี้เลยเหมือนอย่างว่าตํารวจทําผิดเองแล้วถูกจับได้เนี่ยถามว่ามีความสุขไหมรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติถ้าเป็นลักษณะแบบยุติธรรมกันจริงๆฉันใดก็ดีผู้ที่กุศลศีลไม่ค่อยดีเนี่ยจึงเดือดร้อนใจเป็นอย่างมากทีนี้ถามว่าเอา้าเมื่ออดีตทําไปแล้วทําไงอ่ะ ก็ไม่มีอะไรนอกจากการเริ่มนับหนึ่งใหม่อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเหมือนอย่างว่าถ้าเราเดินทางพลาดตลอดเลยเนี่ยแล้วมารู้ตอนหลังอ้านี่เรามาตั้งไกลแล้วนะเนี่ยมันคนละทางกันด้วยถามว่าทำไงก็บอกก็กลับลำซะก็ไม่มีอะไรมันก็มีดีที่สุดคืออย่างนั้นชันใดก็ดีถ้าเราทุ่สินเอาไว้เยอะเพราะว่าคนที่เกิดมาไม่ได้รับคาแนะนาไม่ได้ฟังธรรมจาก พระอริยะเนี่ยนะไม่มีวินัยของพระอริยะคือศีลที่เป็นวินัยของพระอริยะมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่จะดีคนที่ดีโดยความประพฤติเนี่ยขอมาแปลกใจมากว่าเขาทําบุญอะไรมาเนาะเขาจึงเป็นคนดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะโดยความโดยความสามัญยสํานึกของเขาเนี่ยเช่นเขาเจอเหตุการณ์ที่ค้าหน้าทําบาปแต่เขาไม่ทําอันนี้แปลกใจมากๆเลยนะว่าเขาทําบุญอะไรมา แต่ถ้าหากว่าได้เหตุการณ์ได้ปัจจัยพร้อมแล้วทําบาปนะอันนี้เป็นเรื่องปกติถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเจอเหตุการณ์แล้วไม่ทําอาคุศลได้เนี่ยหมายความว่าถ้าเจนเจอเจอเหตุการณ์ที่น่ากโกรธแต่ไม่โกรธเนี่ยเออนี่น่าแปลกใจว่าเขาเขามีดีอะไรเนอเนี่ยนะเขาจึงทําได้ดังนั้นผู้ที่ออยู่ในวะตะัตฏะเครื่องต้านทานเครื่อ ง, เ ค, องเครื่องที่จะเป็นที่ที่เรนเครื่องที่จะเป็นที่พึ่งก็คือกุศลศีลเนี่ยนะต้องมามาสมท า, านเอาไว้เลย ถ้าสมาทานไว้ดีเนี่ยเราเราต้องมาคิดหมายว่าปัญหาคือความไม่สบายใจคือความเดือดร้อนใจความลําบากใจเนี่ยถ้าเช็คตัวเองเป็นแล้วนะจะรู้ว่าไอ้ความไม่สบายใจครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบันเท่าไหร่หรอกมันเหตุการณ์เนิ่นนานเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปติดเชื้อบางอย่างมานานแล้วอาการมันพึ่งกําเริบไปรับสารพิษบางอย่างมาอาการมันพึ่ง มันเพิ่งออกมาเนี่ยนะบางอย่างมันเป็นลักษณะสะสมออกมามันก็เลยทะลักออกมาในบางช่วงนั้นความฟุ้งซ่านของเราทั้งหลายที่ที่มีอยู่ในบางครั้งเนี่ยให้รู้เถอะว่าเป็นผลของทุจริตกรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาสมาทานใหม่นับหนึ่งใหม่อันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่มันทําได้เท่านี้จริงๆทำกว่านั้นไม่ได้ถามว่าใครไปแก้ประวัติศาสตร์ในอดีตได้ไหมแก้ได้เฉพาะในกระดาษเท่านั้นเอง หลอกอย่างอื่นก็พอหลอกได้แต่ว่าหลอกใจตัวเองก็หลอกไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ที่เป็นอย่างนั้นโดยมากคนก็ไม่อยากจะศึกษาความจริงที่พระพุทธเจ้าแนะนําสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจริงอย่างนั้นฉันก็เลวอ่ะเพราฉะนั้นก็ฉันก็จะต้องดีเสมอดีพร้อมเพราะนผู้ที่ที่รักษาศีลให้ดีๆเนี่ยนะจะต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มค่อยๆ ตั้งใจทีละอย่างทีละนิดทีละหน่อยอนะตั้งใจจริงๆอั น, นอย่างวันนี้คุณไททูลสมาทานอุโบสถนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเนะี่ยนะเพราะว่าพูดให้ระาลนะเป็นจุดเริ่มต้นของความดีงามเป็นจุดเริ่มต้นที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะถ้าหาว่าเราประพฤติอุโบสถได้อะไรได้ การสังวรระวังเราก็ดีขึ้นสภาพจิตเราก็เป็นจิตที่มั่นคงอุสรศีลเกิดขึ้นครั้ ง, งหนึ่งนะมันเหมือนแผ่นดินจริงๆมันมีความมั่นคงถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เป็นศีลของเราเนี่ยเราจะลำบากใจไหมครั้งนั้นเนี่ยเพราะศีนแท้ๆทําให้เราเดือดร้อนจะไม่มีเลยนึกถึงตัวศีลจริ ง, รงๆนึกเมื่อไหร่ก็เพิ่มใจไม่ไม่จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้านนึกถึงเหมือนอย่างว่ารูปตามตัวนะตรงไหนมีแผลเท่านั้นแหละที่มันเจ็บ ลูกตามร่างกายเรานะตรงไหนที่มันมีแผลที่มันมันเจ็บปวดแสดงว่าตรงนั้นมันไม่ดีเพราะในส่วนที่มันดีมันจะไม่สร้างปัญหาอะไรเพราะเราลำบากใจเราไม่สุกสมนัณเป็นต้นเนี่ยให้รู้เถอะว่านั่นเป็นผลของสิ่งที่ไม่ใช่ศีลด้านเราก็หมันสมาทานคนที่สมาทานศีก็ามาเชื่อโดยสุดจริตใจเลยว่าเขาเนี่ยรักตัวเองและเขาเริ่มเราเขาเริ่มเห็นใจตัวเอง เขาเลิกเบียดเบียนตัวเองไประดับหนึ่งแล้วคือคนทุสีนี่เหมือนอะไรรู้ไหเคยเห็นพวกติดยาไหมพวกติดยาหรือพวกจิตวิกลทั้งหลายเนี่ยมันจะชอบทำร้ายตัวเองโดยการขีดการควนทางร่างกายเนี่ยนะเดี๋ยวอยู่ๆว่างๆเห็นเศษแก้วกมาปาดหน้าซะหน่อยเนี่ยนะเลือดไหลเคลแล้วก็เช็ดเช็ดเชดเชดก็ไปต่อเง้เป็นผู้ที่ประทุษร้ายตัวเองตลอดเลย เธอเห็นเด็กบางคนเนี่เป็นอย่างนั้นชอบประทุษร้ายตัวเองฮะอะไรมาขีดมาควนตัวเองให้มันเจ็บซะหน่อยแล้วมันมีความสุขมันเหมือนกับแบบเป็นลักษณะแบบนั้นผู้ทุศีลทั้งหลายก็ลักษณะแบบนั้นเหมือนอย่างว่าบางคนนะ่ะถ้าได้บ่นใครสักคนหนึ่งมันเป็นความสุขชนิดหนึ่งเอ๊ะมันดีตรงไหนว่าเขาเนี่ยนอกจากตัวเองได้แผลมาทีหนึ่งแล้วใช่ไหมได้อากุศลมาครั้งหนึ่งแล้วอ่ะได้บาปมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเออแต่ว่าไอ้ไอ้ความที่วินิจฉัยไม่ค่อยดีเนี่ยเลยถือว่า เป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่เลยเขาเบียดเบียนตัวเองอยู่เขาประทุสร้ายตัวเองเขาทําร้ายตัวเองอั้นเมื่อใดที่หมั่นสังวรก็คือรักษาความสุขให้กับตัวเองนั่นเองท่านคนที่กล้าล่วงศีลกล้าทุ่ศีลเนี่ยดูเหมือนกล้าบ้าบินนัเนี่ะจริงไม่ได้กล้าอะไรก็เรียกว่าบ้าบินเนี่ยนะบ้าจนบินหมดอะนะ แค่ไม่เหลืออะไรเลยนะคคือถ้าเป็นอะไรนะพวกที่แผลเป็นมาเต็มตัวเนี่ยถ้าใจมันเป็นเป็นรูปประธรรมนะไม่รู้ว่าคนละไม่รู้ว่าเข้าน้ำจะเป็นยังไงนะสงสัยตะเข็บไม่รู้กี่รอยนะตะเข็บที่เกิดจากแผลเป็นข้างล่างทางจิตใจเนี่ยนะถ้าจิตใจเป็นรูปประธรรมเหมือนผิวหนังเนี่ยสงสัยเนี่ยมันจะดูเนื้อแท้ไปเจอเลยนะมีแต่แผลเป็นไปหมดอะที่เป็นเช่นนั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีกุศลศีล เราไม่มีกุศลศีลรองรับเราไม่คิดว่าศีลนี่เป็นเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเราเราไม่คิดว่านี่นะที่พึ่งที่ป้องกันไทยของเรากุศลศีลอีกนิดหนึ่งนะว่าศีลที่เรียกว่าเทพภไยทูลถามว่ากุศลศีลเนี่ยอุปทานนังเนี่ยรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยรองรับยังไงหนอเนี่ยอย่างว่า การแพ่งการพิจารณาเนี่ยถ้าศีลไม่ดีเหมือนกับแว่นตาเนี่ยมีรอยรอยรอยขีดรอยข่วนนะนะถ้าคนที่ใช้แว่นเนี่ยจะรู้เหมือนกับตามัมนมวัวมันอะไรมันเห็นไม่ค่อยชัดมันลําบากใจอย่างนั้นแหละมันเมื่อใดที่ละลึกถึงความล่วงศีลละลึกถึงความทุศีลความไม่สบายใจมันจะเกิดมันเหมือนกับว่าอะไรนะไม่ต้องอธิบายนะเหมือนคนมีแผลนเนี่ย มันรูปไปเพามันเจ็บทันทีเลยนะมันเพราะมันกลัดภายในโดยที่ไม่ต้องอธิบายโดยประการทั้งปวงนึกแล้วก็เศร้ามองเหมือนกับคนทำอะไรไม่เสร็จนะพอนึกถึงเรื่องนั้นเมื่อไหรก่ก็เอาละเครียดอีกล้ผลท่าเป็นอย่างนี้จนเป็นอัธยาศัยนะเขาจะน่าการุณาสักเท่าไหร่อย่างถ้าใครศึกษาพุทธมหาการุณาที่คุณมีอยู่ข้อหนึ่งว่าหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนเพราะตุดทิเรศา ลำบากเพราะทุจริยศสามเนี่ยนะคือนื้อทึกทุติยศสามของตนเมื่อไหรก่ก็เดือดร้อนหรือรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามคนมีแผลเนี่ยรู้ว่ามีแผลก็ตามไม่รู้ว่ามีแผลก็ตามถามว่าเจ็บไหมเจ็บแน่นอนเนี่ยนะชั้นใดนี่ก็เหมือนกันบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่ผู้ใดล่วงไปประพฤติไปก็ลักษณะนั้นจึงไม่คู่ควรที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงทีนี้ถามว่าเมื่อไม่มีคุณศีล ม, มารองรับแล้วตกไปถึงไหน เขาตกไปสู่โลกที่ชั่วผู้ที่มาบูชาในพุทธคยาแต่ละวันเนี่ยไม่ได้ครึ่งของปลาที่อยู่ในน้ําตรงนั้นเลยไม่ได้ครึ่งของมแมลงแถวนี้เลยถ้าเทียบว่าหมูสัตว์ในอบายกับมนุษย์นะโหปลานี่มันอ้าปากมารอกันพันมนุษย์ขอทานแถวแถวนั้นนะไม่ได้โ no, นไม่ได้มากเลยถ้าเทียบแล้วไม่มากถ้าเทียบกับปลาในบ่อนั้น ปลานี่มันแล้วไข่ของมันที่อยู่ในนั้นตัวเล็กตัวน้อยอีกล่ะแล้วแมลงอีกล่ะเนี่ยนะท่านโมสัตว์เนี่ยเยอะจริงๆริงพัน้าไม่มีกุศลศีลรองรับเนี่ยมันตกได้ตลอดเลยเนื้อตรงไหนก็ตกคือประตูอบายเนี่ยมันแปลกว่ามันมันอย่างที่บอกบ่อยๆว่ามันใช้บานเดียวเนี่ยนะประตูสวรรค์กับประตูอบายมันใช้บานเดียวกันถ้าปิดอบายก็แปลว่าเบิกฟ้าเคยเห็นไหมประตูที่แบาเปิดอีข้างมันจะปิดอีกข้างปิดอีข้างมันจะเปิดอีกข้างทันที เพราะฉะนั้นผู้ที่ทุศีลศีลไม่ดีเนี่ยแล้ลึกปั๊บเนี่ยถ้าล่วงอบายก็แสดงว่าพระสวรรค์ได้ปิดแล้วในขณะนั้นในช่วงนั้นเพราะเมื่อเราทุศีลเนี่ยจึงเสียหายมากพันผู้ที่รักษาศีลสมาทานศีลเนี่ยที่กล่าวตอนต้นว่าเขาเป็นคนรู้จักรักตัวเองมากขึ้นเลิกประทุสร้ายตัวเองเลิกเบียดเบียนตัวเองก็นับว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาพันผู้ที่มีเมตตานี่คือผู้มีศีลมีความหวังดีปรารถนาดีต่อตัวเอง ถ้าหากว่าเขาประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจเขารักษากุศลศีลอยู่ในใจถึงเขาไม่ถึงเขาจะปากเขาจะพูดว่าเขานี่รังเกียจตัวเองจริงๆชิงชังตัวเองเหลือเกินเบื่อหน่ายเหลือเกินแต่คนนั้นเขาเป็นคนรักตัวเองเขาเป็นคนรักตัวเองมากๆเลยแต่ถ้าผู้ใดบอกฉันเนี่ยรักตัวเองจริงๆแมาหวังดีต่อตัวเองปรารถนาดีต่อตัวเองถ้าทําชั่วบ่อยๆก็คือปฏิญาณว่าเป็น ศัตรูกับตัวเองเพราะเขาจะประทุสร้ายตัวเองเบียเดเบียนตัวเองในโลกนี้นะไม่มีอะไรจะหน้าเดือดร้อนเท่ากับผลแห่งการทุศีลผลแห่งความทุศีนเนี่ยมันเป็นความเร่าร้อนเช่นิดที่เรียกว่ามันก็มีไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรเลวร้ายกับความทุศีลอีกแล้วผะศีน น, นี่ถือว่าเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องบาศอันนะั้แห่งคุณธรรมชั้นสูง นะทั้งทั้งระดับกุศล ร, ระดับสมถาวิปัสนาอ่ากุศล ร, ระดับสูงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีกุศลศีลเนี่ยเป็นบาตรดังนั้นถ้าเราทั้งหลายรู้จักสมาทานศีลก็เชื่อว่าสมาทานความสุขให้แก่ตัวเองถึงว่าเราบอกว่าเราไม่ต้องการความสุขแต่ผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยยังไงก็ต้องมาซึ่งความสุขเพราะศีลนํามาซึ่งสูตรของเขานะ่ะอวิปฏิสารอาวิปฏิสาร น, นํามาซึ่ง ปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปิติปิตินำมาซึ่งปัสสัทถีปัสสัตถีนมาซึ่งสุขที่สุดของศีล น, นะอยู่ที่สุขไม่มีเกินนี้สุขตัวนี้แหละเป็นเหตุใกล้แหกสมาธิของสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลได้ดีนะได้ความสุขสุขทั้งภพนี้ด้วยสุขทั้งภพหน้าด้วยถ้าศีลทะลุเมื่อไหร่ก็เอาแล้วคันนี้ ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นอทุกกระทุกนะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกสังขาระทุกนะทุกกระทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นทุกกระทุกเท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่แต่ว่าไม่ยอมดับสักทีหนึ่งนะเขาบอกว่าทุกกระทุกมันก็เป็นสุขเหมือนกันนะตอนมันดับแรีว่าทุกกระทุกเนี่ยเป็นทุกเมื่อตั้งอยู่เป็นสุขเมื่อเมื่อไรเมื่อดับไปก็ทีละที่ได้สมาทานศีลเพื่อที่จะได้รองรับคุณธรรมชั้นสูงคือก็ ทีนี้ในบรรดากุศลศีลทั้งหลายอย่างกลุ่มโอวาทัท้งอคารวะ ท, ทั้งหลายเนี่ยนะที่จะเป็นประตูสวรรค์ประตูแห่งสุกติที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้ก็คืออสมาทานศีลห้าหรือสมาทานกุศลกรรมบทสิบหรือถ้าหากว่ามีความสา ม, มารถสุขภาพเป็นไปได้โดยที่ไม่เดือดร้อนมากนักะนะถ้ายิ่งตอนนี้แล้วสุขภาพก็มาค่อยดีศีลแปดอีกต่างหากเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะเดือดร้อนตัวเองก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ ก็เลยกว่าหาความพอดีของตนให้พบ ก, ก, กันแล้วกันหาความพอดีของตัวเองให้พบวันนี้ก็แหมของมานึกอยากจะเนซัดชิกกับเขาเหมือนกันจำทัน ต, ติก็บอกไปายาเลยเดี๋ยวคนอื่นจะขาดผลประโยชน์หมด <laughs> <laughs> เพราะว่าถ้าเราเนซัดชิกหนึ่งคืนต้องพักสามวันนั <laughs> ่นยังยังสับสนเมื่อกี้ที่ท่านบอกเรื่องฤกชาใดตด้เออคนที่ก็ไม่ได้ ยาหรือชาญท่านว่าเป็นสติยังไงฮะงเรื่องสัญญากับเรื่องสตินียยย่ยังสับสนอยูตรงนี้ เ, เกี่ยวกับ ก, บการใช้คำมันนะการใช้คําในภาษาไทยเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยใช้อยู่ศัพท์เดียวคือจำแล้วบาลีเนี่ยนักบาลีก็นิยมแปลสัญญาว่าจาเพำผลเหตุการณ์ในอดีตที่เราเรียกว่าใช้คํำว่าจาหมดเลย อะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดที่ผ่านมานะหรือหรืออะไรก็ให้มันเลยมาแค่นิดเดียวก็ช่างเถอะถ้าเกี่ยวกับอดีตทั้งหมดภาษาไทยใช้อ ย, ยู่ศัพท์เดียวว่าจำเสร็จแล้วภาษาอาผู้ที่แปลบาลีแปลสัญญาก็ไปแปลว่าจําเขา้าถามอะไรเกิดขึ้นกันนี้มีไหมว่าสัญญาเนี่ยโดยทั่วๆไปแปลว่าจำันสัญญาแบบทั่วๆไปเนี่ยเป็นความเข้าไปสําคัญหมายด้วยอํานาจ เช่นพยาปาธาสัญญาบ้างวิหิงสาสัญญาบ้างกามสัญญาบ้งางลักษณะนั้นเป็นสัญญาคือพอใส่ใจกับอารมณ์ใดแล้วอกุศลเกิดนั่นเป็นอกุศลสัญญาถ้าใส่ใจในอารมณ์ใดเพราะว่าสัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีภาษะมีภาษาพอภาษาปั๊บเนี่ยนะเช่นถ้าเจออิทธารลมปั๊กามสัญญาก็เกิดถ้านิถารลมพยาปาธาสัญญาวิหิงสาสัญญาก็เกิดขึ้น แต่ถ้าเป็นผู้ที่เจริญกุศลมามณสิการอารมณใ์ใดเนคข ม, มัสัญญาก็เกิด น, นะถ้าเช่นสังสม อ, อสุภาพมามากเนี่ยนะเจสาโรมานะคะธันาตาตโจปับเพนอารมณ์อะไรก็จิตมันก็โน้มไปเป็นอสุภาพถ้าเป็นผู้ที่มีเมตตาเนี่ยนะเห็นก็ถือปืนมายังนึกว่ายังนึกหวังดีกับเขาอีกอนั่นนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนายขมังธนูถือธนูมาเนี่ยพระ อ, องโกรธเลยใช่ไหม ไม่มีเมตตาเนี่ยนะนี่คือสังสมอัพยาปาทาสัญญามาเป็นอย่างดีสังสมอวิหิงสาสัญญาคือสังสมกรุณามาเป็นอย่างดีท่า น, นมณสิกานอารมณ์อะไรก็เป็นเนคขมะเป็นอัพยาปาธาเป็นอวิหิงสาสัญญาพระพุทธเจ้า น, นี้มีบริบูรณ์ด้วยสัมมาสัญญาสามประการใช่ไหสัมมาสัญญาเป็นสัญญาที่ดีเป็นสัญญาที่ไม่มีโทษเป็นสัญญาที่มีคุณ อันนี้เป็นลักษณะของสัญญาที่มีอธิบายในพระไตรปิฎกและอาาัตถกาถาส่วนถ้าเป็นการเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยใช้คําว่าระลึกพระองค์อุปมาการระลึกชาติบอกว่าเหมือนอย่างว่าของเราเนี่ยออกจากที่พักเนี่ยออกจากบ้านนางสุชาดาออกจากบ้านสุชาดาเนี่ยหลังนี้ไปนะบอกออกไปเขามีบอกว่ามาถึงนี่ไปอยู่เอไม่ไปดูบ้านนางสุชาดาเอ่อแล้ว เอาก็อยู่บ้านสุชาดาอยู่แล้วเหมือนกันตอนเนี้ยโรงแรมสุชาดา <c oughs> ทีนี้ก็คือสมมติถ้าเราออกไปแล้วออกไปอตอนเช้าเอตอนตอนตอนตอ น, ตอนบ่ายใช่ไหมออกไปเดินไปแล้วก็ไปทํากุศลแล้วทั้งหมดนะจาเหตุการณ์ไปถึงเนี่ยเลี้ยวขวามาไหว้ตรงอนิมิสัจเจดีลงจากอานิมิสัจเจดีอขออภัยไปที่เอชอชนิมิสัจเจดีใช่แล้วก็ลงจากอานิมิสัจเจดีก็เดินอ้อมไปที่ รัตนคราเจดีอนะบูชาล้อมผ้าพรมน้ําหอมแล้วก็ขึ้นมาที่โคนต้นโพโคนต้นพนนพก็อะไรสวดมนต์สวดมนต์นก็ฟังธรรมฟังธรรมเสร็จก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็ลงไปประทักศินประทักศินเสร็จก็เข้าไปบูชาเนี่ยนะถึงไตรสรณะคมเป็นต้นออกมาอีกก็มีอะไรถวายทานอันนี้ยรดน้ําต้นโพถวายทานถวายทานเสร็จก็เดินล้อมรอบเดินล้อมรอบเสร็จก็ มาขึ้นรถกลับมาขึ้นรถพอมาขึ้นรถก็มาที่พักแล้วที่พักก็มาอาบน้ำอาบน้ ำ, นำเสร็จก็เดินมาตรงนี้ที่มาถึงเนี่ยสามรอบไปรับมาเนี่ยมั่นอย่างเนี้ยไอ้การอย่างนี้เนี่ยถ้าทางธรรมะนี่เขาเรียกว่าระลึกเป็นสติถ้านึกอย่างนี้ด้วยอากุศลเป็นมิจฉาสติถ้านึกด้วยกุศ ล, ลจิตเป็นสัมมาสติ แม้แต่พระองค์อุปมาข้อระลึกชาติได้ว่าอดีตชาติเคยมีชื่ออย่างนั้นเนี่ยนะมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นได้บริโภคอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นมีชีวิตอยู่เท่านั้นจุติจากชาตินั้นและปฏิสนธิในภพโน้นแม้ภพโน้นมีชื่อมีโคดมีผิวพันธุ์เป็นต้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วนึกได้อย่างนี้ระลึกได้อย่างนี้ไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าสติ ที น, นถ้าผู้มีอภิญยาเนี่ยมันไม่ได้ช sure. ้าม yeah. ันอุดหน้าดูไม่ใช่มันคล่องแคล่วไปหมดนะนะเบาละเลึกละเลิกก็นอนแหละเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยอภินญาของพระองค์เป็นชนิดพิเศษเนี่ยละเลึกได้เป็นอสงไขยเป็นอาสงไข่ละเลึกได้อย่างมากถ้าอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าละเลึกชาติถ้าพูดแบบภาษาไทยก็พวกนี้จําชาติตัวเองได้นะใช้ได้อยู่ศัพท์เดียวคือจำอ่ะ แต่ถ้าเฉพาะน่าจะไม่ใช้คําว่าจําภาษาไทยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยสัญญาเนี่ยคือการเข้าไปหมายด้วยอํานาจเช่นการมสัญญาบ้างพยาบาทสัญญาบ้างมีหิงสาสัญญาบ้างเป็นต้นนั่นเองแล้วมิจฉาสติจะต่างจากสัญญาที่เป็นอกุศลอย่างไงครับสัญญาที่เป็นอกุศลนี่หมายความว่าถ้ามณสิการขณะใดาอนะมณสิการขณะใดาด้วยแล้วเออ่ มิจฉาสติคือการระลึกในเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ระลึกด้วยอกุศลขณะที่ระลึกในขณะนั้นเนี่ยเช่นถ้าระลึกด้วยโทศขณะนั้นเนี่ยบวกกับพยาปาท่าสัญญาถ้าระลึกด้วยกามฉันทะด้วยกา ม, มาวิตกขณะนั้นก็บวกด้วยกามสัญญาทั้งขณะใดที่มิจฉาสติเกิดขึ้นขณะนั้นก็ประกอบกับอกุศลสัญญาโดย สัมปยุตธรรมอยู่แล้วยังงี้ดูเหมือนกับว่ามิชฉาสติเนี่ยเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สัญญาที่เป็นอกุศลก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็าเลยอย่างกันคือสัญญาเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยใช้กับเฉพาะแต่ละอารมณ์เป็นการมุ่งอธิบายแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ว่าเมื่อมนัสิการถึงอารมณ์นั้นเนี่ยมันมีความสําคัญหมายด้วยอํานาจเช่นว่าพยาปาท่าสัญญา กามสัญญาหรือวิหิงสาสัญญาแต่ถ้าเป็นตัวสติมันก็เลอะลืกเไปเรื่อยไปเรื่อยมันคิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าอย่างนี้เป็นลักษณะของสติแต่ถ้าตึกอย่างนั้นด้วยอกุศลก็เป็นมิจฉาสติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมิจฉาสติเป็นชื่อของอกุศลจิตตุบาทไม่ได้มีสภาวะต่างหากอะไรแต่หมายถึงอกุศลจิตตุบาทเพราะนั้นรวมถึงอกุศลสัญญาด้วยในคำว่ามิจฉาสติ คำว่ามิจฉาสตินี้อ ม, มถึงอากุศลจิตสิบสองและเจตสิกที่ประกอบสาวเจ็ดเมื่อครู่นี้ตอนเข้ามาได้ยินท่านพูดถึงเรื่องของการหลอกตัวเองนะครับฟังแล้วยังไม่ชัดเจนท่านหมายถึงยังไงครับอย่างคนที่เขายังมีสุภาสัญญาเนี่ยยังชอบของสวยของงามอยู่แต่พยายามที่จะคมด้วยอสุภาความจริงใจยังชอบอยู่ แต่ว่าก็พยายามที่จะให้มองให้เห็นเป็นอสุภะอย่างเงี้ยนะอย่างนี้จะเรียกว่าหลอกตัวเองหรือเปล่าครับก็คนละกรณีที่กล่าวไปตอนต้นคือตอนอตอน้ตนนั้นได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความสะดุง้งอยู่ด้วยความไม่แน่ใจอยู่ด้วยที่เรียกว่าอะไรนะลึกๆจริงๆเนี่ยมันหวาดระแวงอยู่มันกลัวภัยอยู่มันเดือดร้อนอยู่แต่บอกไม่มีอะไร ไม่มีอะไรไอลักษณะอย่างนี้ที่เรียกว่าแกล้งหลอกตัวเองไปวันวันหนึง่งแกล้งหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งแต่ถ้าอย่างกรณีที่เรียกว่าน้อมไปบอกว่านี่จริงๆริงนะใจมันบอกสวยมากแต่มันอสุภานะ้มันผมขนเล็บนะมันเชื่อมมน้ำลายดูดิอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าเลือดออกมันจะเป็นยังไงคือจริงอยู่ว่าอักขณะนั้นเนี่ยอากุศลสัญญาอากุศลมันกลุ่มรุมมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสติอย่างนี้ไม่ได้เรียกหลอกตัวเอง พยายามโน้มตัวเองเพื่อให้เห็นความจริงมากกว่าคือจะได้เลิกหลอกตัวเองสักทีหนึ่งว่ากันเถอะจริงๆการการที่เรามองด้วยวิปลาสเนี่ยนะถ้ากล่าวตามสภาวะเนี่ยเป็นการหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองว่าเป็นของงามเป็นของดีเป็นของที่น่าพอใจเป็นของที่น่าปรารถนามันหลอกตัวเองอยู่แล้วถามว่าถ้าถ้าอย่างที่ว่า อย่างคำว่าดูนกตัวหนึ่งสวยมากเลยนะหยนกที่สวยมากนะแต่ถอนขนออกมาทีละขนทีละขนทีละขนทีละขนจนนกขนร่วงหมดเลยนะท่านจะสวยไหมคะนี่ภาพจะนึกคนละอย่างเลยนะเอานกต้มอะไรกันเนี่ยมันจะนึกคนละเรื่องไปเลยแล้วคือคือจริงๆแล้วเนี่ยไอความสวยทั้งหลายที่เราเรียกว่าสุภศุภะหรืองดงามเนี่ยก็เนื่องจากว่าไอการที่เราไปถือแบบรวบรวมแล้วก็ลงในรายละเอียดที่มัน อะไรในความเป็นสังขารธรรมสังคตธรรมเนี่ยนะอย่างที่สมมุติอย่างที่ว่าบอกโอ้ oh, คนนี้นะงาหน้างามมากยมคนหนึ่งเขาเล่านะเอามาหนึ่งนึกขำกันเลยกะบอกว่าหูงามมากเขาบอกยิ้มหนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนกับดวงจันทร์ขึ้นเลยเพราะงั้นนะ่็โอ้ oh, โหจักพันน า, นาน่าดูเลยนะก็มาฟังฟังการพูดแล้วขำน้าดูเลยถามว่าขณะที่ยิ้มมาหนึ่งแนละ้วฟันฟันเปล่ามันร่วงมาแผลหนึ่งอนะไรจะอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ทําใจได้ไหมอย่างเงี้ย พอลืมตาปรับตาร่วงเลยอย่างนั้นนะแผลลงไปเลยอนยะ่างนั้นถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าวิวิเคราะห์ให้ละเอียดละเอียดเต็มทีแล้วมันไม่มีอะไรจริงๆแต่ว่าเราเข้าไปเข้าใจผิดก็บอกโอ้โหกลิ่นปากหอมจังเนี่ยลองอาจารย์เกตว่ากี่ชั่วโมงนะไม่บ้วนปากเนี่สักสามสี่ชั่วโมงเนี่ก็เดือดร้อนอย่านะัถ้ามีปัญหาทางเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เกี่ยวกับเรื่องคอด้วยก็ยิ่งอันนะี้ยิ่งไวมากเลยเพราะคือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้น แต่ทีนี้เนื่องจากว่าอะไรพยายามเราพยายามปกปิดพยายามปิดบงังพยายามซ่อนเร้นซ่อนเร้นแล้วก็พยายามหลอกตัวเองหลอกตัวเองเั้นการที่เรียกว่าถึงใจตอนต้นมันบอกว่างามดีสวยแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเบื้องลึกจริงๆเนี่ยคืออะไรใช่ไหมเพราะการเจริญอสุภาพกรรมฐานเนี่ยเป็นการเลิกหลอกตัวเองสัทีหนึง่งน้อมไปเพื่อที่จะได้เห็นความจริงว่าเออจริงๆแนละ้วมันเป็นอย่างนั้น จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นบอกหูผมสวยสรวยมากกขาบอกว่าคุณก็ตัดแล้วมาผสมอาหารสิตัดมาสักนิ้วหนึ่งนะแล้วก็มาคลุกกับข้าวต้มดูเถอะโอ้โหข้าวต้มถ้วยนั้นหมอนั้นเนี่ยเลิกกันเลยนะสัตรูกันตลอดชาตินะใครทํ า, ายทอย่างนั้นเนี่ยถ้าหิว่นะไม่ถ้าผมก็ต้องผมคนนี้ไม่เคยสาไมาเด้ออา <c oughs> ผมตัวเองไหมเผมคนอื่นนี่ผมที่ว่างามนี่แหละสงนั้นแหละนะ เอามาแจมกับอะไรนะเอามาแจมกับแต่ผัดมักกะโรนียังไงเยแล้วก็ผมเนี่ยทุกเส้นมักกะโรนีที่ตักขึ้นมาเนี่ยสอดไส้ผมอยู่ข้างในเนี่ยโอ้ตายเลยเนี่เดือดร้อนแน่ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ปฏิกูลอสุภาอย่างที่ว่าแล้วอย่างที่บอกว่าเอาผิวหน้าแล้วผิวหน้ามันก็หนังหนังเนี่ยมันมีผิวแล้วก็มีหนังเนี่ยเคลือบอยู่ถ้าผิวมันลอกอก อ, ก อ, กอกอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถามว่าไอ้ผิวที่มันลอกอยู่ปิดหนังอีกครั้งหนึ่งความหนาของมันไม่หนากี่เซนคุณทุจริต โอยเต็มทีแล้วงานนี่เบอเต็มทีแล้วนะเพราะว่าไอ้นี่ยังนั่งทนฟังได้นี่ก็มีศรัทธาเต็มที่แล้วแหละเขาหมาก็ถามไปงั้นเละ <S <S เผื่อจานแดงก็ไม่ง่วงอาจจะได้เลยมันก่อนนีก็เบอหมดตกลงจานเกศผิวนี่หนาเท่าไหร่ถึงมิลไหมตัวผิวนะไม่ใช่ตัวหนังไม่ถึงเขาบอกว่าตัวผิวนะผิวนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าลอกทั้งร่างกายเนี่ยจะได้เท่ า, มาเมล็ดอัวได้เทาพุทธามิตรหนึ่ง ท่านลอกออกมาจริงๆแล้วมีอยู่เท่านั้นจริงๆเท่ากับพุทาเม็ดหนึ่งอ่ะก็มีอยู่เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้โตเท่าไข่ไก่นะพุทราชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยพุทาแบบบ้านนอกไม่ใช่ไข่ไก่แลนะมีอยู่เท่านั้นจริงๆถ้าลองอ่ะคนเนี่ยถ้าสมมติภาพเอาผิวนั้นออกครึ่งข้างเลยนะออกข้างหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเห็นหนังแท้ๆเลยนะโอ้โหแย่แน่เดือดร้อนแน่นั่นนะคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่า ความเมาทั้งหลายที่มันมีอยู่หมู่สัตว์เนี่ยเมาด้วยอำนาจราคะบ้างเมาด้วยอำนาจโทสะบ้างคือเพราะไม่เคยอบรมจิตเลยเพราะย้อมจิตตัวเองมาตลอดว่างามดีงาม ด, ามดีสวยงามดีสวยก็ย้อมตัวเองไว้อย่างนั้นตลอดเวลาคือแม้ขนาดรัของมันยังแปลกใจเลยนะสามีกับภริยาบางคนเนี่ยยังแปลกใจจมื่นทุกวัน แม่บ้านก็ด่าด่าวันแล้วไม่รู้กี่รอบปากประจักจริงๆก็อยู่ด้วยกันอยู่นั้นสามีก็ทนทนก็ยังดีว่าเออเขากอ็อย่างนั้นไงไงนั่นแหละนะก็ยังใส่ใจว่าดีอยู่งามอยู่นั่นแหละแปลกใจอันหนึ่งคือภริยาบางคนสามีก็ขี้เมาตีทุกวันอยู่ด้วยกันนี่ยังไงอะยังแปลกใจทั้งวันนั้นทนอยู่อยู่ทนกันน่าดูเสร็จแล้วพอบอกว่าจากนะเขาบอกก็ยังนึกถึงความดีของเขาอยู่ ความดีบางเรื่องมันไม่ได้ดีอะไรเลยก็ยังนึกและก็ผูกพันอะไรอาวอนกันอยู่นั่นแหละ